เอาละวันนี้เจตนาจะพูดอยู่สองเรื่องหลักๆนะั่นหนึ่งเรื่องสมุนไพรอ่ะที่เราแปลรูปมาจะสมุนไพรไทยที่แปรรูปมาจะใช้ประโยชน์อย่างไรอันที่สองจะพูดเรื่องนิต็อกนะจะพูดในสองเรื่องการลังคิดสองเรื่องเท่านั้นแหละเช้านีนะ้หลายคนจะได้ทำเป็นเอาเ่องสมุนไพรกันแล้วกันนะเนเราทำสมุนไพรมาเนี่ยอยากการให้เราเห็นคุณค่าของสมุนไพรไท ย, ทยสี่ตัวนี่้นะเราทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สี่ตัวนะอย่างตัวแรกเนี่ย ตัวแรกเนี่ยจะพูดถึง น, น้ำสกัดยานางเป็นจารมุมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกหลรอกเขาไม่ทำกันหรอกนะเขาจริงแค่บนไทยสมัยก่อนก็ทำเขา ส, สกัดยาร้อน เขากลั่สมัยก่อนก็จะกันใบหนานกนลั่นอะไรต่างๆที่เป็นยารอ้อนมาใช้แล้วมันจะมีฤทธิ์แรงกว่าเดิมเนี่ยเท่ากับยาปฏิชีวนะหรือว่าเท่ากับยาเคมีเลยนะความเร็วยิ่งกว่าได้ซ้ำความเร็วนี้ยิ่งกว่ายาเคมีแต่เป็นธรรมชาติมันสุดยอดจริงเลยนะครับน้ำส ก, กัดพวกเนี้ย มันมากจังมากแต่ช่วงหลังมันเนี่ยยาดมมันใช้ไม่ค่อยมันมันจะไม่ค่อยได้ใช้มากในเมืองไทยผมก็เลยมาส ก, กัดยาเย็นมาใช้นะครับเรากิว่าประิภาพมันเร็วมากเลยนะครับน้ำมะ ก, กัดยื่อนางเบญจรงเนี่ยผมเอาย่านา ง, นองเอาเบญจรงนะครับเรื่อเอาแทบที่มาส ก, กัด นะเดี๋ยวจะบอกวิธีสกัดนะครับท่านจะได้ไปทําเองได้ตัว เ, เองได้ครับนะเอามาปุ๊บเนี่ยแรกทีผมก็ไม่ได้คิดจะสกัดพวกนี้ออกมาหรอกพอดีมีหัวหน้างานผมนะที่ทํางานที่โรงพยา บ, บาลด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยเขามีคอโรฟินงานะที่เขาทอาออกมาขายอะไรเนี่ยนะเราจะมีตัวสกัดที่มันเร็วสูสีนะั้นหลือว่าสู้ตัว น, นั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาว่าม า, างี้ผมบอกก็มีมันมีวิธีแล้วเขบ อ, นะบอกว่าเราเรารู้วิธีสกัดอยู่แล้วว่าจะสกัดยังไง ผมก็เลยส ก, กัดออกมาปรากฏว่ามันยอดของคอโลฟิลด์ที่เขามาทําองนะแค่น้ําน้ําขี้ยนางโคอโลฟิลสล่วาธรรมชาติของเราดีนะมันก็ชนะไอ้โคอโลฟิลที่เขาทําขายอยู่แล้วนะพูดถึงประสิทธิภาพทเทียบกันไม่ได้เลยคือของโคอโลฟิลน้ํน่านางสด อ่า อ, อมแทบใบเตยต่างที่เราสกัดตูวที่เราขา ย, ยี้ออกมาให้เฉยเนี่ยมันก็ปรนสิภาพสูงกว่าคลรโบฟทิที่เขาทำขายขวดลาขวดล า, าเป็นพันอยู่แล้วนขวะขวดลาแปดร้อยขวดละเป็นพันเนี่ยของเราชนะขาดอยู่แล้ว แต่พอดีผมเราต้องลองไปส ก, กัดดูอีกเผื่อว่าจะว่ามันจะมีประสิทธิภาพเร็วขึ้นมากขึ้นไหมนะก็เลยไปส ก, กัดแบบต่างเมื่อกลับออกมาเราเจอปฏิการิยาในเรื่องนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับปรากฏว่ามีคนไข้คนหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าเอายอดมันใช้อะไรได้บ้าง น, นะมันใช้ได้สองสาอย่างหลักๆนะยอดตายอดหูใช้กินนะครับมันใช้ดีท็อกซนะ์เอวอวางเสียงใช้ทาด้วยใช้ทาก็ได้ย่อนตายอดหูก็ได้นะเอาพูดไประเละประเด็น เด่นนะซึ่งมันมั น, ม, นมันประหลาดมากจัดมากใช้ยหยอดตาเนี่ยมันแก้ปัญหาคอาผิดปกติที่ตาได้ดีมากทุกรูปแบบคุณจะเป็นต่อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะมันแปลกมากเลยขนาดต้อหินที่หมอเขารักษาแล้วไม่ไดีขึ้นหยอดยานี่ยังดีขึ้นนะครับทุกเราลงอาการทุกเราแล้วก็กลับมามองเห็นชัดอาการปวดอากันอะไรลดลงวันดีกว่ายาหมอบ้างเลยนะฮะ เนี่ยมีคนไข้คนหนึงเอาไปใช้ไปกี่วันนี้เองนะเอาไปใช้เสร็จแล้วต่อเนื้อเนะี่ยมันหายไปภายในไม่ไกี่วันนะอ่ะเปิดร้านซื้อเป็นร้อยเป็นเดียนะมือสาบอมวิธิททำแล้วจะมาสั่งซื้ออีกคนนึงขี้เกียจจริงๆเลยนะไปทำเองนะเนี่ยจะบอกเขาไปทํำเองเดี๋ยวจะบอกวิธิทํานะครับคือมันแปลกแลมันช่วยลดต้ได้ดีมากเลยนะครับแล้วเนี่ยมีหัวพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะมาอบรมที่เราแล้วเอาไปใช้บอกว่าใช้ไปสีเดือนเนี่ยจากตาที่อ่านหนังสือไม่ชัดไปมองเห็นชัดเลย เลยไม่ต้องใช้แม่อ่านได้มองเห็นชัดเลยเขาทําไป็สี่เดือนนะชัดแม่ของพนนั่ ง, งานผมนะผมรับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลราชดำเนิญแตตอนนี้มารับผิดชอบงานแพทย์พิถีพุทธตกลงเลยรับสองงานทั้งโรคไม่ติดต่อทั้งแพทย์พิถีพุทธนะครับแม่ของคนนั่งงานเนี่ยปรากฏว่า มาเป็นเบาหวานแล้วก็คอาดันมันขึ้นตาจนตาตาบอดเกือบจะบอดหมดแล้วนะครับเหลือมองเห็นอยู่นิดๆอะไรๆแต่ไม่สามารถที่จะมองแสงจ้าได้นะครับมองแสงจ้านี่ไม่ได้เลยต้องอยู่ในที่มืดนะครับมองก็้นจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับปรากฏว่าไปตรวจกับแทพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านบอกตรงกันหมดเลยว่าตาบอดแน่นอนไม่มีทางหาย ถ้าขนาดนี้เนี่ยบอดแน่นอนเลยนะเขาไม่มีทางขายเลยนะแล ว, ว่าแฟนผู้เช่ยชาทุกท่านเนี่ยโรงบใหญ่แถเนี้ยทั้งนั้นเลยนะันตรงๆกันหมดเลยปรากฏว่าพอันตรงกังนงั่นเนี่ยหัหน้างานผมก็เลยบอกเนี่ยแค่ทางเลือกช่วยอะไรได้ไหมก็อกันแ่าเลือกช่วยจะช่วยแม่ได้อย่างไรบ้างผมก็บอกเนี่ยเอาน้ำคลอโรฟิลเนีน่ยน้ำสกัดจากน้ำไปหยดตาเช้าก่อนเย็นก่อนนอนผมก็บอกเเช้าก่อนเย็นก่อ น, นอนสามเวลาฮะหยดตาเสร็จเนีถ้าเป็นไปได้เอาทาตาด้านนอกเลนะผมบอกแล้วเอา แล้วเ อ, เอาช้อนไม้เนี่ยเอาไม้กวาเราเนี่แหละขูดเบาๆหลับตาลงแล้วขูดเบาๆแล้วขูดหน้าทั้งหมดเท้อกับนี่หลกินน้ำโคโลโรฟีนเาบอกกินน้ำยจนางเนี่ยกินอาหารด้กเย็นดีทอ็อกซ์ด้วยวก็บอกทำนี่นะปฏิหารเกิดขึ้นครับเขาทำแค่อาทิ้เดียวะตากลับมาปกติทั้งหมดเลย จากที่แพทย์บอปัจจุบันฟันตรงว่าตาบอดแน่นอนไม่มีทางฟื้นจะไม่มีใครฟื้น ท, ท่านขลิปนี้นะครับกลับมามองเห็นได้ภายในหนึ่งสองดือนแต่นี่คือปฏิหารนี่คือความประหลาดเราเจอเยอะนะครับมคนไข้ที่มองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวพอใช้น้าสกัดเจานานพวกนี้ยนะครับหยอนตาแล้วตากลับมามองเห็นชัดขึ้น คราวที่แล้วมีคนไข้มีปัญหาที่ตาปวดแสบหลายเรื่องนะมีมีปัญหาที่ตามากเลยนะปรากฏว่าหยอดสามเวลาเอาไม่อยู่เขาเลยหย่อนทุกครั้งที่ไม่สบายหยอดเป็นทั้งวันเลยนะเวลาไม่สบายตอนไหนก็หยอ่อนไม่สบายก็หยอนไม่สบายก็หยอดคือเขาเป็นหนักมากอะวันเดียวฟื้นเลยครับตาตาที่มีปัญหาจำไม่ได้ว่ามองไม่ชัดด้วยแสบปวดเรื่องนี่แหละนะครับปรากฏว่าดีขึ้นมาได้วันเดียวเลยนะฮะเพราะวันเป็นธรรมชาติอะเป็นสารสกัดธรรมชาติ มันมหัศจรรย์มากกับยาหยอดตาชนิดเนี้ยนะครับมหัศจรรย์มากเลยไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถคุ้มครองฟื้นฟูนนสายตาได้อย่างดีแล้วก็ตาที่เปกติกลับมาหลายคนที่มีวิกฤตแล้วกลับมาดีได้นะครับตรงเนี้ย เราก็เลยเห็นความความมหัจารย์ความพเศษของเขานะครับใน ต, ตอนนี้แพทยแต่ปัจจุบันท่านนึงานที่มีปัญหาเรื่องตานะครับเป็นใช้รอยเป็นพิษแล้วก็มีปัญหาที่ตานั้นก็ใช้นะครับใช้แล้วดีมากเลยบอกดีกว่าน้ําตาเทียมอีกตอนนี้เลิกน้าตาเทียมเลยแล้วมาใช้น้ําตาเนี้ยมามาใช้นา้าตาแยาน่หนามาใช้ธรรมชาติแทนนะดีกว่าเยอะนะครับผมถ้ลองใช้แล้วดีกว่าเยอะเขามีฤทธิ์เย็นล้วสะอาดบริสุทธิ์นะครับเพราะเราสระอย่างดีเลยสอาดบริสุทธิ์ สามารถหยอดตาได้เชา้ากอางวันเย็นรึตอนที่เรารู้สึกไม่สบายบางครั้งนะคนไข้ปวดท้องในเชื่อมนะครับหยอดตาแล้วหาย <Okay. S 1> มันขนาดนั้นเลยนะพูดนี่ก็จะเหมือนโมงแต่มันไม่ใช่นะมันมีลมตาลที่ต่อมาที่ ตาเนี่ยมันจะมันจะไปลงตาที่มาที่ตับที่ไตโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ความจริงมันไปทุกอวัยวะนะที่ตาเนี่ยหยอนตาจะรักษาทุกอวัยวะนะครับอันเนี้ยแต่ว่าตัวที่เด่นมากๆจะเป็นที่ตับกับที่ไตนะถ้าหย่อนตาเนี่ยจะรักษาตับกับไตที่เด่นมากๆนะครับแลหลายคนปวดท้องเนี่ยันงทีกินไม่ได้นะกินข้าวกินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช้วิธีย่อนตากับหยอดหูครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ขับพิษจากตับจากไตได้มากเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาที่ตาที่หูเนี่ย นะครับเราถูกใจคิดว่ามันมีปัญหาที่ตากับที่หูตอนนั้นนะไอ้ตามีปัญหาหูมีปัญหาคือตับแล้วก็ไตมีปัญหาครับความจริงอะ่ะต้องถอนที่ที่ตับที่ไตด้วยแล้วก็ถ้าเราหย่อนตาหยอดหูเนี่ยมันจะรักษาที่ตับที่ไตเราด้วยบางทีคนไข้เนี่ไม่จำเป็นต้องกินยาหรอกนะหยอดตาหย่อดหูเราข้างในจะดีเองนะครับอันนี้ช่วยได้และเสริมอีกแรงหนึ่งเป็นการเสริมเป็นการขับพิษอีกแรงหนึ่งมันไม่ใช่การรักษาทั้งหมดหรอกแต่มันเสริมอีกทางหนึ่งอีกแรงหนึ่งนะครับ มันใครมีปัญหาที่ตาที่หูนะหูอื้อหูตึงนะครับน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะมีปัญหาเรื่องหูมันกเดิอ น, นะสารพัดอาการปวดออกก้อนแสอะไรก็แล้วแต่นะสามารถหยอดเข้าไปได้นะครับ่วยวิธีหยอดหูเนี่ยเราหยอดเข้าไปประมาณ คือหยอดก็ไปจนเต็มหูแหละง่ายสุดตั <c oughs> ้งสมถึงห้าหยดหรือมากกว่านั้นก็ได้นะเอียงหูแล้วหยดข้าไปจนเต็มเลยนะแล้วค้างไว้สักประมาณหนึ่งถึงห้านาทีค้างเลยหนึ่งถึงห้านาทีแล้วเอียงออกนะครับมันก็จะไหลออกมาใครที่มีคิศบ้างบ้างกนะ็จากน้ําสกัดย่านางเยน็ยนๆอย่างนี้แหละนะร้อนเป็นไฟออกมาเลยมันจะร้อนเหมือนน้ำเดือดต้องร้อนออกมาเลยอุ่นออกมาเลยนะนั่นแหละพวกเนี้ยผิดเยอะมันสามารถล้างหูได้ดีนะครับล้างหูได้ดีมากเลยแล้วหลายๆายคนอากัน ไม่สบายที่หูก็จะทุเราลงไปนะครับหรือหายไปนะมีคนที่อักเสบที่หูเนี่ยเขามันใช้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ใช้ได้คนระับถ้าถ้าสมมติว่าเอียงแล้วมันไม่ออกนะครับให้เราหยอดซ้ำเข้าไปอีกทีนึงนะ่งหยอดซ้าเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วก็เอียงออกอีกทีมันจะลากกันออกมาทั้งหมดเลยนาะนำนำาจนำ น, ำนำที่เราสกัดเนีนะ่ยที่เราหยอดเข้าไปมันจะลากกันออกมาอนะันะนี้จะช่วยบริเวณหูได้ดีมากการล้างหูล้างกาให้สะอาดนี่แหละจะช่วยให้อวัยวะภายในนั้น จะช่วยให้ช่องขับพิษจากรอวัยวะาภายในทํางานได้ดียิ่งขึ้นเพราะพิษจมนนมากเลยนะครับระบายออกตาออกหูระบายออพิษตาที่หูเพราะฉะนั้นการล้างตาละางหูเคลียตาเคลียหูให้ดีในแต่ละวันนั้นจะช่วยนะครับช่วยช่วยให้การระบายพิษในอวะภาภายในได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตาของหูนะตอนนี้เนี่ยอนอกจากตาจากหูเนี่ยนะเวลาเป็นหวัดมาเนี่ยเป็นหวัดมาเนี่ยท่านจมูกนะครับหย่อนเข้าไปที่จมูกเลยฮะ มีหลายคนคนไปตำข่ขยที่้านใต้นะ<ม>เขาเป็นหวัดเรื้อรังแล้วมันก็เสลี่พันคอเขาวัดนะเสลี่นพันคอไม่รู้จะทำยังไงเขาเลยหยอดเข้าไปที่จมูก เขาบอกไม่กี่นาทีนะมันมั น, ม, น, ม, นมันเคลียร์มาแล้วนะมันสลัดออกมาเลยนะครับอ่าสเลนนั้นมันละลายแล้วก็ขับออกมาทางปากแล้วก็ทางจมูกเขาโล่งสบายเลยนะการหวัดเขาทุเราทันทีเลยอย่าหลายคนนะครับตอนนี้เจอก็แค่หลายคนที่เป็นหวัดเรื่อหลังนะครับหยอนเข้าไปในจมูกแลยฮะตันนี้จะร้านโดยดีมากเลยหย่อนเข้าไปในจมูกได้เลยนะครับตอนนี้ หรือใครที่มีฝืนมีคันเราไปทาได้นะฝืนคันแมลงศัตริย์ต่อยก็ทาไดนะ้เพราะมันมีฤทธิ์เย็นถอนพิษได้ฝืนคันแมลงศัตริย์ต่อยเงี้ยก็ทาได้นะครับอ่า น, นี้เนี่ยสามารถกินด้ด้วยนะฮะเวลามีปัญหาเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยนะครับใช้ประมาณ เอ่อใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะกินเข้าไปได้เลยนะครับผสมน้ำเปล่าๆสักหนึ่งแก้วกินเข้าไปได้หรือถ้าเป็นเด็กนะหยดหยดเข้าไปสักห้าิหยดนะครับต่อ น, น้ําต่อ น, น้าประมาณ1แก้วให้กินได้เลยนะครับเด็กเป็นไข้ยอย่างเงี้ยหรแก้ไข้เร็วมากถอนพิษไข้เร็วมากเลยหรือไม่สบายอื่นนะครับที่เป็นเราว่าร้อนเกินเนี่ยประมาณใช้5้าถึหยดผู้ใหญ่ก็ตามนะห้าถึงสหยดนี่สบายๆเลยนะครับต่อ น, น, น้ํานึงแก้วกินเข้าไปเลยนะอันนี้จะถอนพิษได้เร็ว ตอนที่เราทำเสร็จใหมนะ่ๆนตอนนั้นมีคนไข้เข้ามาเข้าค่ายเราครับมันไปตะขามอ่อยที่หน้าอกนะครับปวดมึนชาไปที่แขนเลยนะเขากินเข้าไปหนึ่งช้อนแกงนะไม่ถึงสิบนาทีเขาบอกมันเบาๆๆแล้ว่ามันหายเลยนะับยในสิบนาทีมันมั่นกันมากเลยนะตอนนี้มีป้าคนหนึ่งเขาโดนอายุประมาณเจ็ดสิบปีนะครับโดนงูกัดงูตัวเท่าแขนเลยครับตัวดําๆกัด การแล้วก็ปวดแสบออกร้อนนะครับปวดแสบท ร, รมนรานเขาก็วิ่งมาหาเราเขี่ยวเดียวด้วยนะวิ่งม า, าเราพบเราก็ให้กินไปช้อนหนึ่งแล้วก็เขี่ยวเดียวเป็นงูพิดนะครับเราให้กินไปช้อนหนึ่งเพราะผมเอาสำรีชุบแล้วก็แล้วก็ปอกไว้นะครับวางไว้สามสินาทีหายอาการทั้งหมดเลยนะครับ มันมาาจะมากเลยเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่หลายคนจะดูถูกสมุนไพรไทยนะไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกคุณไม่รู้เฉยว่ามันดีแลวใช้ไม่เป็นเฉยๆเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มียาดีที่สุดในโลกจะบอกแท้แต่คนไทยโง่งซื้อยาฝรั่งมาใช้ท่านนอง พเพื่อนมากกว่าสองหมื่นชนิดอ่ะที่เมืองไทยเป็นเพื่อนมากที่สุดในโลกมากกว่าสองหมืนชนิดอเมริกามีแค่สองอชนิดเท่านั้นเองแต่คนไทยไม่เรียนรู้ว่าตัวเองมีของดีเท่านั้นแหละนี่คือความแม่นะมันน้าจะ่าช้ใจขนาดช้ำใจที่อยู่ในเมืองไทยนะมันเป็นบอกว่าเมืองไทยนดีที่ดนะไม่ดีอย่างเดียวทนะีมีคนไทยเท่าไอ้คนไทออกไปซะแล้วให้ฝลั่งมนช่วย จ, จะเจริญกว่านี้อีกเยอะนะจะเออสมัยประากรไทยจะามาใช้ประโยชน์ดีเชื่อ กอไม่ดีอย่างหนคือคนไทยเป็นโง่แล้วนั่นเอของดีเต็มบ้านเต็มเมืองไม่อามาใช้จะได้จริงๆเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าของเมืองไทยของดีเราจะรักเมืองไทยมากเลยเราจะรักเมืองไทยรักทรัพยากรในประเทศไทยแล้วเราจะรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราชีวิตจะภัฒน์สูงมากเลยถ้าเอาทรัพยากรในเมืองไทยมาใช้ให้ดีนะครับ แล้วก็ใช้ดีท็อกซ์ได้นะเนี่ยพอล้างลำไส้เนี่ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องดีท็อกซ์นะครับส่วนล้างลาไส้นี่ใส่ไปแค่สามถึงหกหยดเท่านั้นแหละนะกับน้ำเป่าล้างลาไส้ได้เลยคนะไม่อยากใช้โคลโฟินนะมหาอะไรไม่ได้อันนี้สามถึงหกหยดเท่านั้นนะล้างลาไส้ได้เลยนะครับเนี่ยดีท็อกซ์เดี๋ยวจะพูดเรื่องดีท็อกซ์อีกทีนึ่นส้ส ก, กัดดินงมันใช้ได้ประโยชน์เยอะมากเลยใช้สารพัดเรื่องสารพัดเลือง อันนี้เราลองมาดูวิธีทานะว่าจะทํากันอย่างไรเอามาดูว่าเออมันมีวิธเยอะแยะมากมายนะไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยมีมากกว่านี้ยังน่ประโยชน์นึงไม่ออกงาตอนนี้นึกออกขนานี้ก่อนเนีนึกไม่ออกเราเวลามันจะหมดเราจะต้องพูดตัวตัวอื่นอื่ด้นะครับ วิธีทำก็กง่ายๆนะเราไปทําเองได้นะครับเราเอาสมุนไพรริเย็นมาอะไรก็ได้ที่ริทเยนนะอ่ะในหนังสือที่อ่านไปเมื่อวานในริเย็นอนะ่ะเป็นย่านางก็ได้เป็นหอมแซ่บก็ได้นะครับเป็นอะไรใบเตยก็ได้ผักฟุ่งก็ได้นะพอเราได้สมุนไพรริทเยนมาเนี่ยเราเอามาใส่ภาชนะเช่นเอามาใส่หม้อนึ่งข้าเหนียวของอีสานะนะ่ะอ่ะภาชนะที่เอามาใช้นี่อย่าพยายามเป็นภาชนะที่ทํากับข้าวนะ เพราะว่าถ้าทาำกับข้าวส่วนใหญ่มันจะมีพริกป่นไปด้วยแล้วจะแสบมูสแสบตาตัวใข่ตัวมันนะอันน้นนะต้องใช้ภาชนะที่อะไรก็ได้ที่ยังไม่ได้ใส่พริกหรือใส่สมุนไพรเสร็ดร้อนอ่ะนะเข้าไปได้หมดเลยยังอ่าหม้อตึ้งข้าวของชาวบ้านก็ได้นะหม้อตึ้งข้าวเหนียวของชาวบ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้นะภาชนะไหนก็ได้เราใส่สมุนไพรลงไปครับใส่สมุนไพรลงไปเท่าที่เรามีนะใส่น้ํำแค่พอท่วม ใส่น้ำ เ, เทฟลูออมเสร็จแล้วเอาภาชนะที่มันเล็กใสล่ลงไปข้างในวานทับสมุนไพรเลยนะครับเอาภาชนะเล็กทับสมุนไพรเลยเอทับสมุนไพรเสร็จเนี่ยนะครับทับสมุนไพรเสร็จเนี่ยเราก็เอาผ้าครับพันของหม้อพันขอบหม้อเสร็จแล้วเอากระทะที่ล้างก้นสะอาดนะครับวางไว้ข้างบนเติมน้ำํำเปล่าใส่เข้าไปขึ้นตั้งไฟนะครับ พอขึ้นตั้งไฟเสร็จน้ําที่มันเดือดอยู่ข้างในนะครับน้ําที่มันเดือดอยู่ข้างในเนี่ยนำพ อ, พอเราเราตั้งไฟไฟ ก, กลางๆนะครับไฟ ก, กลางๆ เ, เนี่ยพอน้ําเดือดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสกัดเอาธาตุเอาสารเอาพลังงานที่มันมีอยู่ในสมุนไพรที่เย็นของเรานั้นนะครับให้ระเหยขึ้นไปกับไอ้น้ําพอมันระเหยขึ้นไปน้าไอ้น้ําจะไปกระทบความเย็นของก้นกระทะ เพราะกระทะเราใส่น้ำเปล่าไว้ใช่ไหมไอ้น้ำก็ต้องความเย็นปุ๊บตามหลังเรี่ยวขาดจะเกิดอะไรขึ้นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำนะครับไอ้น้ำจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ําเสร็จแล้วกระทะเราเป็นโค้งอ่ะก้มันโคง้คมโคงมันจะน้ามันจะไหลมาตรงการกระทะแล้วก็หยดลงมาใส่ภาชนะที่เราวางอยู่ข้างในที่อ่ะที่ทับสมุนไพรไว้ข้างใน คนจะเป็นภาชนะที่ไม่เปื่อยหรือว่าไม่มีปัญหาเวลาเจอเวลาเจอคอาร้อนนะครับอาจจะเป็นขันพลาสติกไอ้ขันขันอลูมิเนียมก็ได้ขันไอ้ขันขันเตเล่นนะขันสเตลเล่น่าจะดีที่สุดนะครับอะไรเงี้ยหรืออะไรก็ได้นะที่เป็นภาชนะเล็กที่ใส่ข้าไปได้รองรับน้ํากันที่หยดลงมาตรงนั้นนะครับมันก็ป๊อกป๊กลงไปเรื่อยๆอ่าสักประมาณ3าสิบนาทีถึงหึงชั่วโมงเดินประมาณนะครับน้ําข้างบนมันจะเริ่มร้อนน้ําบนกระทะมันจะเริ่มร้อนมันจะเริ่มไม่กัดแล้วนะครับ พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บให้เราเอาน้ําออกเอาน้ำํำนั้นออกไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็แล้วแต่น้าน้ำน้ำที่อยู่บนสุด น, นะครับจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะเราก็พอพอเราเอาน้ํานั้นออกนะเราก็อ่า ลงมือเข้าไปหยิบนะหยิบเอาน้ํากันที่กันได้นั้นมาเทใส่ภาชนะไว้นะครับแล้วก็วางภาชนะนั้นกัดคืนราไปอีกนะกัดคืนราไปอีกเอากระทะมาวางอีกนะแล้วทําไมต้องเอาผ้ามาพันไว้นะครับผ้ามาพันไว้เพื่อไม่ให้มันดูดกันไม่งั้นอกระทะกับหม้อมันจะดูดกันแล้วมีออกมาหมดเลยนะเราก็เลยเอาผ้ามาพันๆไว้ของหม้อนะครับไม่ให้มันดูดกันเกอนปั้นนะครับ แล้วก็เราก็เติมน้มานะาําลงไปใหม่นะวางกระทะลงไปเติมน้าลงไปใหม่ก็กั่นลงไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํานั้นจะน้อยลงงวดลงนะครับไม่ต้องรอให้กับแห้งนะเอาถ้ามันแห้งจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไฟไหมกระทะไฟไม่ห ม, ม้อไม่ต้องงกขนาดนั้นเอาแค่ว่าเอาเรับน้ํามันเหลือน้อยแล้วเราก็พอนะก็เลิกนะครับนั่นแหละเราจะได้น้ํากัน่น น้ำสกัดแย่낭เป็นจริงนะครับหรือสมุนไพรที่เจนตัวเดื่ดก็สกัดได้เช่นเดียวกันนะครับเราเราได้น้ํากัดพวกนี้มานะได้มาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในภาชนะที่สะอาดถน้เองนะครับเก็บไว้ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีนะสบายๆเลยนะทดลองดูแลหนึ่งปีสบายๆสามปีนี่ยังได้สบายๆนะครับหน่งถึงสามปีสบายๆเลยนะครโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นมันมันสุดจัดมากไม่ต้องใส่ตู้เย็น ริดมันยังมีประสิทธิภาพอยู่ตามใดที่มันชิมแล้วยังรสชาติเหมือนเดิมมาและถ้ารสมันยังเหมือนเดิมนะคุณพอเราทําเสร็จเราชิมชิมดูเนี่ยนะเออรสมันประมาณเนี้นะริกมันยังมีประสิทธิภาพสูงตามใดที่รสมันยังเหมือนเดิมครับรสมันจะชิมดูเดี๋ยวก็รู้เองเป็นยังไงจืดหละจืดเดี๋ยวมันจืดรสมันอย่างเนี้แหละใช้อย่างว้าเนี่ประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับ ต้องทำไว้ใช้นะครับเวลาฉุกเฉินมันใช้ได้ดีมากๆลารฉุกเฉินเรื่องนนเรื่องนี้เนี่ยมั น, นงัดออกมาแก้ภวิกฤตของชีวิตได้ดีนะครับวันนี้ท ำ, ไ, ทำ ไ, ไปทำมับ้า น, นเด็ๆ น, นะไม่ต้องไปหาภาระเส้นสมองเลยนะสบายมา ก, กเด็กเป็นไข้เนี่ยสบายเลยนะเด็กจ้อนชาหรือไม่กระสิบหยดกคได้สิบถึงสิบหายดเนี่ยสบายๆนะครับสิถึงสิหายดเนี่ยหยดใสน่น้าเปล่าให้เด็กกินเนี่ยจะถอนพิดเร็วมากแม้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันประมาณ 10- ถึงหยดจะถอนพิษในร่างกายได้เลยเวลาเกิดอาการไม่สบายขึ้น อันนี้เราก็ทำเอาไว้นะบอกวิธีทำแล้วก็อย่ามาซื้อมากมายนะไปทำเอาเองทาไปไว้แล้วเวลาใส่สมุนไพรลงไปในกระทะแรกใส่น้ำด้วยนะคะเวลาใส่สมุนไพรในกระทะแล้วในหม้อแรกก็ใส่น้าสิใส่น้ำลงไปแค่พอท่วมไงใส่น้ำแค่พอท่วมแล้วอากหม้อกับกระทะที่ต้องใส่กันแล้วมีค่าเท่าไร อ่าใช่ใช่มีผ้ามีาผ้าพันกันก็เออแต่บางคนก็ไม่มีเวลาทําจริงๆนะไม่ได้ขี้เกียจแบบก็หลายค น, นมันไม่มีเวลา ไมรู้ไปทําอะไรชีวิตนะก็ออกไม่ได้นะไม่มีลาก็ไปซื้อเอาแต่ไม่โดนซื้อมากนักนะเขาทำไม่ไ่ไวแล้วนี่ทำไม่ค่อยทันแล้วหรือพอประมาณแบกๆกันไปถใารก็ไปทําเองบ้างไปไปบอกใครก็ได้ทำให้ไปทําเองบ้างเปลววิธีทำนะครับอันนี้ไม่ไม่หวงสูตรสักการหลังที่นี่ไม่หวงสูตรนะพ่อไปเดิจะทำธุรกิจอะไรทันสิ่งที่นี่ทําทุรบุไม่ทาธุรกิจทําแำธุรบุญก็คือคนยังทําให้เป็นเรา ก็ทําเกื้อกูลเขาช่วยเหลือเขาคนที่เขาไม่มีเวลาทำาก็ช่วยเหลยอเขาไปตามแรงที่เรามีไม่ได้สนใจเรื่องาได้กินข้าวกับเกลือชีวิตให้ตัวอะไรชีวิตกินข้าวกับเกลือมไม่ด้ทำอะไรมากมายนะครับแต่ก็ทําเพื่อเพื่อในคนที่ไม่มีเวลาจะทำํทำก็ ก, ก, ก, ก, ก็ลองดูนะใครทำเองได้ก็ไปทําตุนไว้ที่บ้านนะเชื่อไหมครับเนี่ยทางภาคใต้นะลูกศิษย์ที่เคยเข้าค่ายที่ที่ภาคใต้นะครับเขาเล่าให้ฟังว่า ไอเจ้าจิ ที่คุณคุณญาต์เชื่อไอ้ไมรัตน์นะเชื่อใขรเลิกออกที่ระบาดตอนเนี้นะปรากฏว่าลูกศิษย์เราที่มาเข้าค่ายเนี่ยเขาเอาน้ำสกัดนี่แหละไปกินกับน้ำโคลฟีนนะกับน้ำโคลฟีนสดนะแล้วก็ปรับาอาหารดีท็อกซึ์นะครับพวกนี้ยปรากฏว่าอาการปวดรับตัวเราเร็วมากเลยนะอาการเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ไม่ตรวจเจอเชื้อโรคนะทุกคนที่ใช้สูตรของเราเนี่ยปรากฏว่าสบายอยู่ได้อย่างสบายความเจ็บความปวดนี่น้อยหรือไม่มีนะครับแต่คนที่ไม่ใช้สูตรเรานั้นทรมา มากเลยนะที่พันได้สารบัญมากเลยนะรู้สึกก็เลยเขียนจดหมายมาบอกว่าอาจารยนะ์ตอนนี้สบายมากเลยนะเขาไม่กลัวเชื้อใข้ใข้เลือดออกอะไรเลยนะเพราะว่าเขาตาบ ม, มันได้เนะขา อ, อยู่ได้สบายๆเลยไม่มีอากันอะไรนะครับเนะี่ยช่วยได้เยอะมากย น, นะครับคนเนี้ย เพาะว่เชื้อพมันเชื้อร้อนยาพวกเราเป็นยาเ ย, ย็นมันจะฆ่านิดกันแล้วเชื้อมันจะตายแต่ ว, ว่าหน้าจะเล่าให้ฟังจริงๆว่ามันตายยังไงจริงแม้การติดเชื้อทุกชนิดนะไม่ต้องกลัวต้องเราเข้าใจเรื่องการขอนพิษร้อนเนี่ยล่าฟังครั้สั้นก็นได้นะครับว่าการติดเชื้อเกิดจากอะไรรู้ไหมครับการติดเชื้อทุกชนิดไม่ว่าไวรัสไม่ว่าแบคทีเรียเชื้อราทุกอย่างตอนเนี้เกิดจากไม่องข่าวอ่อนแอการติดเชื้อเกิดจากภูมิทันลดภูมิทันลดเกิดจากไม่ลดข่าวอ่อนแอ นะครับเป็นร่างขาอ่อนแรงเกิดจากพลังงานความร้อนที่มันมากเกินไปตอนนี้มันไปเผาทําลายเป็นร่างข า, าวเป็นร่างขาวก็เลยอ่อนแรงจิดติดเชื้อได้ทุกชนิด เพราะฉะนั้นเคล็ดในการทำยาปฏิชีวนะคือยาปฏิชีวนะที Darwin, ่ดีที่สุดคือเม็ดเลือดขาวแข็งแรงนั่นคือยาปฏิชีวนะที่ดีที่สุดนะครับเราจะทำยังไงให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงถอนพิจอนออกพอถอนพิอนที่มันทำร้ายเม็ดเลือดขาวนั้ออกนี่แหละกิ้โลี่น้สกัดยานางอะไรก็แล้วแต่นะถอนพิจอนแบบยาเก้าเม็ดในข่ายพอถอนพิจอนเสรปุ๊บความร้อนจะไม่เผาทำร้ายเม็ดเลือดขาว เมละขาวจะแข็งแรงขึ้นพอเมล็ดขาแข็งแรงขึ้นครับเกิดอรขึ้นครับมันจะไปกินเชื้อโรคทุกตัวที่ทำร้ายร่างกายอยู่มันจะเป็นควบคุมไปกินให้อยู่ในปริมาณที่ปกตินะครับเสร็จแล้วโรคทุกโรคคุณสามารถอยู่อย่างปกติได้หมดรับ เชื่อว่าจะอยู่ในปริมาณที่ปกติและแข็งแรงเชื้อโรคจะไม่ทำลายเรานะครับผมเชื่อมาหมดนะตั้งแต่เอโรครลายสุดตั้งแต่เอชไฟนจนถึงเราพัดเชื้อติดสเต็มสเต็มซูโดมอนเดสอะไรเชื่อมาหมดละทีบอะไรเงี้ยนะปรากว่าใช้วิธีการของเราเนี่ยไม่กี่วันแนละ้วร่างกายดีขึ้นเร็วมากเล ย, ยทีบก็ใช้เวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยฟื้นฟูสภาพปอดได้ปกติหมเนะครับโดยไม่ต้องกินยาผเดือนอะไรปีนึงปีครึ่งเราเจอเงี้ยเราก็เลยไม่สงสัย ถ้าเจอแทนการติดเชื้อสารพัดรูปแบบมันน่าจะเล่าให้ฝังเรื่การติดเชื้อผมเจอเยอะทุกรูปแบบปรากฏว่าไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนสักเม็ดนะครับมันสามารถตาบโรคได้เร็วกว่าหมอแพทย์ปัจจุบันนี้นี่คือปฏิหารของยาดีในประเทศไทยขอให้เข้าใจเค่ความสําคัญของคุณจาเท่นั้นแหละเนี่ยคุณเจ้าเลือกบอกว่าความสมดุลแก้ปัญหาทุกเรื่องและเชื่อไหมครับผมเป็นรข่าวแข็งแรงนะไม่ใช่เฉพาะโรคติดเชื้อที่เราตาบได้นะครับเพราะว่าจีนไวรัสสารพัดรูปแบบเชื้อราสารพรูปแบบแบคที่รียสารพรูปแบบเราตาบมาหมดแล้วนะครับ นอกจากการติดเชื้อที่เราสามารถปราบได้เนี่ยนะครับมะเร็งนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะเมล็ดขาวแข็งแรงมันจะกินมะเร็งเอง <Okay. S 1> เพราะตัวปราบมะเร็งดีที่สุดคือเมล็ดขาวตัวปราบเชื้อโรคดีที่สุดก็คือเมล็ดขาวงานะเพราะฉะนั้นเคล็ดสาคัญในการรักษาโรคคือทําให้เมล็ดขาวแข็งแรงเอาเมล็ดขาวแข็งแรงทุกอย่างเคลียร์หมดนะครับเพราะเมล็ดขาวเป็นตัวเคลียร์พิษในร่างกายทังหมด บอการฟาโกซาโตสีจะทํางานได้อย่างดีเลยเป็นโอบสิ่งที่เป็นปกติสลายโอบและสลายโอบและสลายดันั้นมะเร็งของเราจึงมีอัตราการหายสูงที่สุดนะครับในบรรดาการมรักษาทั้งหมดเพราะเราจับเพลสได้ที่ความแข็งแรงของไม่ลดขาวนะครับแล้วก็การติดเชื่อจึงรักษาโรคติดเชื้อได้เร็วที่สุดเหมือนกันนะครับเน่มันเป็นเรื่องน่าประหลาดว่าทําความสมดุลอย่างเดียวไม่ให้เม็ดลอดขาวถูกเผาด้วยความร้อนมากเกินไปนั่นแหละครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับนี่คือเพลสอันนึงนะที่มันจะพลิกโลกทั้ง จะพลิกโลกทั้งโลกเลยเลยของคมสงสัยเรื่อทฤษฎีของพระพุทธเจ้าทฤษฎีของพุทธเจ้ามันจะพลิกโลกทั้งโลกมีเป็นเรื่องน่าประหลาดเดี๋ยววันหน้าจะเอาเคสให้ดูวันนี้จะเป็นวันนี้แหละแต่ตอนใบกว่าตอนเช้าที่ผมบรรยายมจะเอาเคสมาดูนั่นนี่เคสมาเร็งเคสมาหวานเคสซอมดนันเคสติดติดซูโดโมเนติคเชื้อนั้นติดเชื้อนี้ไวรัสตัวนั้นตนนัว น, น, น, น, น, นี้นะตามมาหมดแล้วไวรัส A B C D <oughs> ที่หมอเขารักษาไม่ดีขึ้นคนไข้หลายคนหมดฟันทั้งสองสามล้านไม่ดีขึ้นมาเจอ เราที่เดียวนีะคันมเจอหมอผีเช่นเราแต่หลายคนบางไางคนบางาจาย์ิดาได้ไมหมอผีเนี่ยพูดได้ไหมหมอผีมันเป็นพีไม่พวกีอะไรอ่ะพีไม่เข้าทานนะพวกที่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีวิทาศารความจริงคือแพทางเลือนัไม่ใช่หมอผีหรอกเป็นเรื่องทางเลือนแพทางเรื่องที่เข้าใจศาสนาพุทอย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าแหละคือแพทยทางเรื่องที่ยอดที่สุดในโลกเข้าใจ แห้หลักการปรับสมตัวจากลึกซึ้งาจะปราบโรคทุกโรคกันแหละไม่มีโรคอะไรที่เราปราบไม่ได้ แต่จะป่าได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่คนไข้นะไม่ได้เกี่ยวกับหมออย่ที่คนไข้คุณได้มากได้น้อยวิอยู่ที่ป่าที่บนคนต้องทนอยู่ที่การทากเกียนต้องทนนั่นไม่ใช่เราแต่เราพบว่ามันพลิกปฏิหารหลายเรื่องได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านป่ายจะเห็นเคสนะไม่น่าเชื่อนะแลือยังลุงนิวโอ้เนะี่ยลุงที่เป็นมะเร็งมเม็ดเลือดขาวใหนะ้เป็นมะเร็งตับน้ำเหลืองนะครับมาเข้าค่ายนะราเราเนี่ยนะมาจากกรุงเทพเนี่ย นะครับขาบวมขนาดนี้เลยคิดดูนเนขนาดนี้ผมไม่รู้จะว่าขนาดไหนเนี่ยประมาณเกือบฟุตนึ่งอะนะขาบวมเกือบฟุตหนึ่งนะครับเป็นซลตินะฮะแมันเกี่ยวกเซละอยู่ในขิดเซฟซีนล่ะเราก็ใช้กันผ่าตัดลงปลานะผ่าตัดเนี่ยสมนุลนี่แหละนะครับ่าตสมนุลนี่แหละให้หยุดข้าวเลยนะพอเวลาร้อนมากๆเราจะไม่ให้กินข้าวพอกินข้าวมากจะรอนชื้อขาวชื้อขาวก็กินตผ่าตลเหมือนกับอ่ ผูป้ป่วยเมื่อวานนี้เป็นมะเมะร็งตับนะฮะเรบเขาปวดมากนะ ว, วันที่โตไปหาผมปวดทรมานมากไม่รู้จะแก้ยังไง ถ้าได้กินอาหารสูตรนี้เรายังไม่ดีขึ้นผมก็เลยรู้แล้วว่าถ้ากินอาหารสูตรนี้ไม่ดีขึ้นแปลว่ามันร้อนมากอยู่เพามันตัดข้าวลงไปถ้าหยุดข้าวแล้วให้กินแต่ผลไม้ชัว่วคราวร่างกายดีขึ้นทันทีเลยนะ ค, ะครับลุงเขาก็เหมือนกันไม่ถึงอาทิตย์ครับพอเราให้หยุดข้าวนะปรากฏว่ามันผ่าตัดเองเลยฝีแตกออกมาแล้วครับน้องแตงกๆๆออกมาพลังออกมาห้าวันนั้นไหลไหลไออกมาแต่ไม่มีกลิ่นเหม็นแตกมากน้องไหลออกมาขายุบมาในวันเดียวเลยครับจากโตกเก็บฟุตนึงอ่ะยุบมาในวันเดียวแล้วทุกวันนี้เท่เลยนะเดินได้เลยน ะ, ะจากเดิน เดิมได้เลยนะครับแล้วก็แผลดีมากแผลแดงดีมากเลยนะแผลสวยมากนะครับแล้วก็ดีขึ้นอย่างเร็ว เราจเจอเรื่องอะเรื่องวัสดงนี้บ่อยนะครับพวเ ส, เส้นเส้นเส้นใเนี่ยระครัวพวกอะพ เ, เนี้ยนะครับเซลลูไลตีนทั้งการเส้นใยเนี่ยเจอเกินปฏิหารมากเลยเวลาเราใช้ควมสมดุลนะครับแต่เราไม่ได้ให้อยุดกินข้าวทุกรายนะครับไม่ใช่ทุกรายหยุกินข้าวบางรายที่การอักมากๆที่กินข้าวแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยจะให้อยูดกินข้าวชั่วคราว พ อ, อยู่กินข้าวปุ๊บเราจะไปกินข้าวทีตอนไหนครับตอนเขารู้สึกหอมข้าวหรือรู้สึกว่าหวยรู้สึกว่ากินข้าวแล้วสดชื่นสบายเราจกให้เขากินตอนนั้นอีกทีตอนนั้นหละเขจะแข็งแรงขึ้นอย่างเร็วนะครับมันจะมีจังหวะของมันแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันคนไข้ ส่วนใหญ่ไม่ได้หยุดข้าวนะครับข้าวรวมของเราจะไม่ได้หยุดข้าวเราจะมีคนไข้บางคนที่อาการหนักมากเราจะให้หยุดข้าวพอหยุดข้าวแล้วกินแต่ผักับผลไม้คนไข้จะฟื้นเร็วมาแข็งแรงเร็วมากพอเริ่มฟื้นเริ่มแข็งแรงปุ๊บเริ่มหอมข้าวแล้วร่างกายต้องการข้าวเราจะให้ข้าวเข้าไปนั่นแหละแล้วคนไข้ก็จะฟื้นเร็วก็้นไปเข้ากับว่ามีคนที่ไปเอง อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าปฏิหารกันได้เสมอเมื่อเกิดความสมครับเป็นเป็นเป็นหลักการของแพทย์ทางเรื่องนึงนะครับหรือเป็นหลักการของพระเจ้าก็คือว่าถ้าเกิดคอบมสมุขึ้นทุกจะดับท่านตัดไปยังไงความสมดุลช่วยดับทุกเป็นท่านเอกหายเดียวเลยนะเป็นท่านเองกถ้าไม่ใช่ทางรองนะไม่ใช่ทางรองนะก็จะตัดไปว่าเอกเสียว่ามัคคุรและท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาคนทุกทางทางเดียว้วยนะ นอกจจะเป็นทางเองแถมจะเป็นทางเดียวอยีกนะไม่มีทางอื่นที่จะมาคนทุกข้อมสมดุลจะเป็นคําตอบของทุกเรื่องท่านอยู่ก็ระจะพบปฏิหารความสมดุลจะปฏิหารที่พระเจ้าตัดไว้แล้วพระเจ้าตัดไว้ว่าไงครับท่านตัดไว้ว่าคำใดที่เราตัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบหลางได้ คุณฟังคํานี้ให้ดีๆนะว่าทําไมพระเจ้า แ, แ, แก้วกล้าอาหารขนาดนี้เพราะท่านพบความจริงสองแสนถงแปดแสสมไขยกลับนะท่านพบความจริงอันเนี้เกิดมาชาติไหนท่านมันเป็นเพรพะว่าเพราะวาเวลาสมดุลมันดับทุกได้สมดุลทุกมันดับสมดุลทุกมันดับสมดุลทุกมันดับทุกเหลี่ยมทุกมุมทุกลีลาพอสมดุลทุกมันดับหมดพเพร า, า, านะท่านเจอตั้งตั้รลุกีรานกีรานกีรานกีรานปีท่านก็เป็นั่านเวายดสตร์ที่พิสูจน์ความจริงท่านลุกีรานปีถ้าเลย หมดสงสัยท่านก็เลยเปี้ยนไปเลยว่าคําใดที่เราตัดไว้จะไม่มีใครลบล้างได้มัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางเอกสายเดียวที่พาพนทุกข์เปี้ยนเลยนะแล้วเรื่องมัชฌิมาจะมีเหลี่ยมมุมเยอะมากนะครับไม่ใช่เหลี่ยมมุมเดียวที่ผมยกตัวอย่างนี้นะมันมีเหลี่ยมมุมอื่นอีกเยอะเลยใครอยู่เข้าเก็บวันจะรู้โอยมัชฌิมาเหลี่ยมนี้ก็ใช่เหลี่ยมนี้ก็ใช่เหลี่ยมนี้ก็ใช่เหลี่ยมนี้ก็ใช่เหี่ยมนี้ใช่แล้วมัชฌิมาประยุกต์ใช้ทุกเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เอาละนะครับไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะโลกเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึ่งอันนี้ก็คือน้ําสกัดงานนัตยานางนะไอต้นต่อไปนะครับสมุนไพรที่จะเราจะลองฝังถึงความมหัศจากของสมุนไพรไทยซึ่งเราสามารถไปทำเองได้คอันนี้น้ามันเขียวตีมรกตนะครับน้ำมันเขียวตีมรกตเราสกัดจากยานางเบ็จรงนะครับเศรษฐำนทอและสมุนไพรที่เป็นตัวอื่นๆนะครับอันนี้เรามาสกัดหลายตัวนะครับ อ่านำและมันเขียวตัว น, นี้เนี่ยนะครับาสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างส่วนวิธีปฏิบัติอะไรต่างๆวิธีทำนะอันนี้เราจะสอนใน ห, หลักสูตรแฟนพันแทนะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการสอนแต่ทำไม่ยากหรอกนะครับะจะสอนใน ห, หลักสูตรแฟนพันแทก็คือซิเก่าเท่านั้นที่จะมีโอกาสมาได้นะ เมษาเราทําค่ายสิบวันเนะมษายี่บเอ็ดถึงสา 30, สิบเมษาของทุกปีคนะเป็นหลักสูตรแฟนพันแทรับเฉพาะสิทเก่า 19, นะคนใหม่ห้ามาคือเก่าคือคนเข้าเคยเข้าค่ายอย่างเงี้ยคนเคยเข้าค่ายมาได้เขาะจะต่อยอดเราต้องสอนไม่มีปฏิบัติแบบนะครับนะครับก็อันเนี้ยนะครับก็จะตัวนี้เนี่ยมันมีปฏิบัติสูงมากใช้อะไรได้บ้างนะครับสอนมันสามารถสอนที่จอท่านทาทัานกินนะครับอันเนี้ยเช่นเราไม่สบายที่ไหน นั่นได้นะป ว, นนะนนนะปวดเมื่อยตึงมีแผลก็ทาได้นะมีผื่นคันก็ทาได้ครับปวดเมื่อยตึงมีแผลมีผื่นคันเนี่ยทาได้หมดเลยนะครับพคนเนี้ยมีคนไข้คนหนึงนะครับมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะเขานี่เป็นผื่นคันขึ้นที่แขนนะครับแล้วมันเป็นการอักเสบที่รุนแรงเดิมมาเตติที่รุนแรงนะครับ คืการักเสพที่รุนแรงมากแล้วก็เขาไปรักษากบหมอาะแผนปัจจุบันมา2อาทิตย์แล้วมันไม่ดีขึ้นปืนขึ้นเต๊ะมัน่ามีตุ่มน้องขึ้นมาแต่แล้วเขาก็ไปเจอผมผมหยดน้ำมันนี่แหละนะครับผมซื้อไปขวดหนึ่งผมก็เลยหยดน้ำมันนี่ใส่ใส่น้ำเปล่าๆน่ะ ใส่น้ำผมหยดน้ำมันสามหยดใส่น้ำน้ำขวดนึ่งนะขวดสิบาทนะขวดประมาณสิบาทนะซึ่งประมาณเจ็ด ซ, ซีซีนะประมาณนั้นนะครับผมหยดไปสามหยดแล้วให้เขา้าทาแล้วก็กินปรากฏว่าวันรุกขึ้นเขามาบอกนะจากสองอาทิตย์ที่ไม่ดีขึ้นเลยแล้วทรมานมากเขาบอกมองมันยุบไปเยอะแล้วเขาบอกเนี้ยยุบไปเกือบหมดแล้ว มันมหัจรรย์นะฮน้ำในน้ำมัำ น, น, ำนเขียวเนี่ยมันจรรมากเลยมันจะถอนพิการได้ดีแล้วจะปากเชื้อได้ดีมากนะครับพวกเนี้ยทาเราปวดเราเมื่อยเราไม่สบายนะเป็นฝืนเป็นคันอะไรพวกเนี้ยทาได้หมดเลยนะครับงูสวัดวก็ได้งูสวัสดก็ได้ครับงูสวัสดิ์ไปไม้ตะบอนร่วกกั็ทาได้นะครับเป็นหวัดก็ทาคอหรือเอามาดม หน้ามื่อวิงเวียนในการมาดมได้น้ามือวิงเวียนกามาดมมาทาได้อันนี้มันมากจักมากเลยอย่าทาตานั้นแหละนะไม่ได้ตาในหูนะระวังไม่ทาไม่ได้ที่ตากับในหูคือไม่ตนองโยไปหยอดหูแต่ทาลอกลอกหูได้ทาลอกหูได้ทาทาในใบหูก็ได้จะจะหยอดเข้าไปข้างในะมันมันแรงเกินไปหยอดตาไม่ได้หยอดเข้าไปในหูไม่ได้เท่านั้นแหละนะต้องรันทาได้หมดนะครับแล้วก็ใช้กินได้ด้วยนะครับ 1>, 1ึถึง3หยดเนี่ย1ถึง3หยดใส่น้ำหนึ่งแก้วหนึ่งหยดก็ได้นะใส่น้ำหึงแก้ว1ึ ห, หยดนี่ก็แรงมากแล้วนะ่ะหนึ่งหยดต่อน้ำหนึ่งแก้วดีนะกินก็ไปได้เลยนะครับแก้วอะไรครับ แก้อาการเก็บคอเส้นแหวคอแห้งจุกเสียนแน่นท้องปวดท้องปวดท้องประจําเดือนเนี่ยปวดท้องเม่นเนียนะใส่ไปเลยเดี๋ยวตอนนั้นมึงแก้วกินเข้าไปเลยหลายคนที่ปวดประจําเดือนแล้วก็อาการทุเลาได้เร็วนะครับบางคนก็หายไปทันทีเลยนะไม่สบายที่ท้องนะครับใช้ได้หรือเป็นไข้นี่นะหยดเดียวแล้วครับตอนนั้นมึงแก้วกินเข้าไปเลย หนึ่งถึงหยดบาส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นเป็นไข้ไม่สบายอื่นนะครับไม่สบายต่างหรือใช่ห น, นึ่งหยดประมาณเหมนแก้วจิงเข้าไปจะลดพิษได้เร็วครับตนี้มีแพทย์ปัจจุบันท่านนึ่งนะครับาบางกว่านั้นี่อยู่โรงพยาบาลสัมปชัญิะที่ประสงคเนี่ยแพทย์แยบนปัจจุบันเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญ ด, ด้านโรคผิวหนังอ่าแล้วมีอยู่ครั้งนะึ่ตวคนไข้ไม่ได้มาสอสวันแล้วเพราะว่า เก็บคอเสียงแอบคอแห้งนะเสียงหายเลยนะแล้วพยาบาลที่เป็นลูกศิษย์ผมเลยนะเขาก็โทรมาหาเขาเคยมาเข้าค่ายแพทย์ทางเลือกของเรานะก็โทรมาหาอาาจรย์อาจารย์ ทำไงดีนี่นะอาจารย์หมอที่ตรวจคนไข้ตรวจคนไข้ไม่ได้เลยเนี่ยทำไงอ่ะ้าแพทย์ที่ตรวจคนไข้ตรวจไม่ได้เราถามมันแล้วอ้าวผมก็บอกเจ็บคอเสียงหายก็ยาปฏิชีวนะเต็มโงบาลกินไปสิผมว่าเยอยา ก, กินยี่หอนะ้อไหนกินไปสิเยอะแยะไปหมดอนะ่ะมถามผมทว่างรักผมก็รู้อยู่แล้วยาปฏิชีวนนะเน่ยมันอักเสบรุนแรงผมบอกแล้วก็รู้ผมก็รู้อยู่อ่ะเขาก็บอกว่าแพทย์ไม่อยากกินยา อผมบอกแพทย์ไม่กินยาล้วจะหายยังไงผมก็ไมนะออแล้วทำไมไม่กินยาไมกินยาจะไปหายหรือเรากวลอยู่นะเขาก็บอกว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นเคมีันไม่กินเดดขาดกันไอยาปฏิชีวนะเขาบอกว่ายาปฏิชีวนะเป็นเคมีผมไม่กินเด็ขาดกันกินพื่ไมกัากันทำร้ายร่างกายเราเขาาะไอตายผมก็ไป่กินเขาวากันเป็นแพทย์ผู้ชายไม่ยอมกินยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลเราก็เซลลไปีคนไข้จะไมจ่ายอ่ะที่งไมไม่กิน แรวเล่นนะแจกเล่นหรอืออย่างเง้ยเราก็บอกอาจารย์ยับอกมา ส, สุดดีตะวันออกมาสดุดดีว่าทาไงนผมก็เลยว่าให้คุณได้ไปใ้ํามันเขียวะนะอ่ะเขาบอกได้ได้ได้ยังเหลืออยู่ไหมหือโวันคุณใส่หหยดน้นัวสาหยดใส่น้หนึ่งแก้วให้กินเลยตะวันนี้ <S <S หรืออยากให้เร็วกว่านั้นบอกเขาบอกอยากให้เร็วนะคุณขยี้น้โคลีนนะขยี้น้ยนาดางแล้วใส่ไปสามหยดนะแล้วให้กินเลย อยากให้เร็วกว่านั้นไหมเขาบอกอยากให้เร็วทําอาหารสุขภาพไปกินด้วยแต่ผมบอกข้าวต้มสูตรนี้แหละแล้วก็บอกให้ผัดผักใส่น้ํานี่แหละใส่เกลือใส่เนยนิดหน่อยผัดผักนิดเย็นใส่น้ำ ก, นนนกินี่บข้าวต้มถอนิดปรากฏว่าเขาไปทำนะคือแพทย์คนนี้เป็นชาตสมุนไพรกินอะไปแต่าเคมีไม่กินเขาไปทําปฏิหารเกิดขึ้นครับสองวันแพทย์ตรวจคนไข้ได้อาการทั้งหมดหายไปภายในสองวัน เจ็บคอจนเสียงหายนี่ไม่ใช่เล่นๆนะมันจบเสียงหาย น, หนี่ยอาทิตย์นึงคืนได้ก็ถือว่าเก่งแล้วอาทิตย์นึงคือได้ถือว่าเก่งแล้ ว, แ, ลวแต่เจอสมุนไพรไทยเข้าไปสองวันเรียบร้อยนะครับกลับไปตัวจ ค, ไววคนไะข้ดได้แล้วก็โทรมาขอบคุณนะโอ้ขอบคุณมากสองวันตรวจคนไข้ได้แล้วเนี่นั่นคือปาฏิหาริย์ของสมุนไพรไทยนะไม่ใช่เล่นๆหรอกถ้าจะเจอเรือ่องแยะมากมายถ้าเอาไปใช้กันเถอะเขาจะเจอว่าโอ้ของเมืองไทยนี่ของดีเยอะแยะเลยนี่ขามีเยอะเล ย, อ, เ ย, อ, เลยอันนี้ก็คือน้ำมันเขียวตีมรกตนะฮนะก็ ไปลองใช้ยูหรือถ้าจะดีทอ็อกสนะหยดเดียวในหึ่สาหยดนะใส่น้ำดีทอ็อกสดมือนกันนะครับอันเนี้ยเวลาหาอะไรไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ีทอ็อได้เดี๋ยวเราค่อยพูดเรืนะ่องมีท็อกสะเมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ขี้พึ่งมลกฏดเจ้านางเป็นจรงนะครับขีพึ่งพวกเนี้ยเนี่ยก็ใช้เหมือนกันกับถ้ามันเขียวตรีมรกรดนี่แหละใช้ทา ใช้อะไรเมินกันหมดเลยแหละแต่มันกินไม่ได้นั้นกินไม่ได้เพราะว่ามันละลายน้ำไม่ได้นะแต่ว่าถ้ามีแผลในช่องปากคาได้นะมีแผลในช่องปากปวดฟันอย่างเงี้ยนะปวดเงืาปวดฟันมีการอักเสบของเงาของฟันคุณทาไปได้เลยทั้งสตัวนะครับเพราะฉะนั้นประกันปวดเงาปวดฟันได้ดีมากนะครับเพราะงั้นประการแผลในช่องปากได้ดีมากมีแผลในช่องปากทาไปเลยหรือปวดฟันตรงไหนทาไปได้เลยนะครับพรงเนี้ยดีมากเลยจะแก้แก้ในต้นเหตุหรือล่ะครับแก้การอักเสบจะดีแก่แผลจะดีทำใช้ เหมกันแต่อันี้มันกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่น้ำนะ แ, แต่ทานในช่องปากได้อือลงคอได้เพราะว่าเพวัสดุทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติสามารถที่จะกืนได้กินได้นะโอเคนะฮะเนี่ยก็ใช้เหมือนกันแล้วใช้กัวซาได้ดีคนนี้จะใช้กัวซ่าได้ดีข้อสุดท้ายนะนี้จะเล่าสู่ฟังก่อนจะไปถึงเรื่องลิท็อกนะฮะก็อย่างที่ฟันไที่ ยาสีฟันไทยไทยหรือยาสีฟันไทย ยาฤกษ์บางส่วนนี้เป็นยาฤกษ์ที่ดีมากนะครับเป็นยาฤกษ์ที่ดีมากเลยในในการระงับกลิ่นปากมันก็แก้เหงื่ออักเสบแก้ฟันอักเสบเนี่ยได้ดีมากเรียกว่าแก้ปัญหาในช่องปากได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ยาฤกษ์บางตัวเนี่ยมีคนไข้บางคนนะช่องเหงืออักเสบเนี่ยมันฟูดรวมไปเป็นเท่ากับข้อนิ้วก้อยเลยนะฮะเขาใช้แค่สองสามวันมันยุบหายไปเลยนะแล้วคนไข้ยาฤกษ์ฟันโยกหลายคนพอใช้ไปใช้ไปฟันแน่นขึ้นมันประหลาดมากเลย ผมไม่ได้คิดจะคิดสูตรยาวิพันสูตรนี้ขึ้นมาหรอกนะในชีวิตไอ้พวนี้ก็ผมกับาบ้าๆบอคิดมานั้นนั้นนะพราะอะไนก็ไม่รู้ถึงเวลาเราคิดสูญญตรยาพวกนี้มาใช้ <c oughs> แ, แล้วยาวิพันก็ไม่ไคิดจะคิดมาใช้หรอกแต่ผมคิดมาใช้ตามความจําเป็นควาจริงผมไม่ได้อยากจะคิดอะไรออกมาใช้ใช้บ้าๆบอๆหรอกครับอะไรที่มันเดือดร้อนมันจำเป็นเนี่ยมันจะทําให้ผมคิดบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาแก้ปัญหา ปรากฏว่ายาฟีบันสูตรนี้เนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้คิดออกมาเพื่อที่จะทําให้มันให้มันออกมาหรอกนะแต่ว่าผมเนี่ยกินผักเยอะเสร็จแล้วเนี่ยมันมีค้าบของผักบางอย่างมันติดฟันไอค้าวผักที่ติดฟันเนี่ยนะไปใช้ยาฟีมานอรันก็แปรงไม่ออกแปรงไม่ออกแล้วเราก็ไปเดือดร้อนไปเดือดร้อนหมอฟันทันตแพทย์ ท่านตาแป้งเก็เดือนร้อนมาขูดให้เราโูดให้เราเราไปเก็บเดือนร้อนที่เราก็ทรมานนะขูดมันเสียวมันกันนะเก็บมันกันนะท่านตาแป้ก็มองเมื่อยอีกนะแต่แล้วพอเราไปกินผัดเข้าไปเยอะอีกเดี๋ยมันดำไปอีกละเอ้เราข้าบข้าบพัดข้าบฟันนี่จะทํายังไงนะก็เลยไปดูไปใช้ยาสีฟันอะไรที่เขาว่าดีเรามาใช้หมดมันก็ไม่ได้เลื่องก็เลยไปดูว่าคนโบราณใช้อะไรเลยพบว่าคนโบราณใช้ทาน ใช้เกลือใช้ดินสองทองใช้พินเสนการบุนเมนทอลเป็นส่วนประกอบสำคัญของอยางสีฟันที่คนโบราณใช้ผมเลยเออกมาลองทำดูนะมาคนสูตร์อะไรต่างๆดูนะรับ ทำไปทามาเลยลงตัวหรือใช้ได้เพราะกนว่าโอ้โหมันใช้ดีมากเลยขจัดค่าฟันได้ดีมากเนี่ยค่าฟันได้ดีมากจนเดี๋ยวนี้ทันตแพทย์ทันตแพทย์หลายท่านนะครับมามาใช้แล้วนะแล้วรับรองว่าดีนะครับอาจารย์สอนนักศึกษาทันตแพทย์เลยนะครับมาทดลองใช้แล้วดี่ะบอกโอ้ดีก็เยี่ยมใช้ได้เดี๋ยวนี้ทันตแพทย์หลายท่านเอาไปใช้นะฮะเนี่ยเพราะมันจะไม่ทําให้ฟันเสื่อมันไม่ได้ขัดแรงเกินไปแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม่เหมืนยาซมไปทั่วไปแล้วมันไม่มีเคมีด้วยนะครับที่สําคัญเลยมันไม่มีเคมี มันมีส่วนประกอบของอะไรครับมันมีส่วนประกอบของถ่านอันที่นีถ่านถ่านอะไรถ่านอะไรก็ได้ถ่านก่อไฟธรร ม, มาดาเลยแหละนะเอามาโขล ก, กละเอียดถนะ่านถ่านนี้มันมันช่วยอะไรนะครับถ่านนี้มันช่วยซับพิษนะครับเวลานคนไข้ที่กินพิษเข้าไปเนี่ยนะเขาจะกินถ่านเข้าไปนะครับเพื่อซับพิษหมอแผนปันธุนจะให้กินถ่านเข้าไปซับพิษแล้วมันซับพิษได้ดีมากเขาเรียกว่าไอ t ิงเชาโคหรือว่าคารอนแท็บคาร์บนะครับนคบนนี้ก็ใช้ได้โอ้บรรทง ยังยังไม่ได้โกงอะไรเลยยังยังไม่โกงเวลาเรากปทวงแล้วแซมแซมแซมแซมอะไรกันแหละโฆษณามันซับฟิตได้ดีแล้วเวลาตู้เย็นมันเหม็นเนี่ยเขาจะแก้ยังไง ไปนานก็ไปใช่ไหมไม่กี่ชั่วโมงนะครับอาการเหมนของตู้เย็นจะหายไปความเมของตู้เยนรู้ไหมครับมันคือสารอะไรผานก่องมะเร็งนั้นนั้นเลยนะอินดอนสเกตตันไมโซามีนนะครับเป็นสารก่อมะเร็ง น, นันั้นเลยนะครับในความเหม็นของตู้เย็นนะั้นปราก็ว่าฐานมันซกเอาพิษที่เป็นสารกล่อมะเร็งนั้นได้ขวาเห็นนั้นได้สุดยอดจริงๆเลยนะมันแก้เศษได้ดีแล้วเรื่องานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรอมพูดถึงเรื่องถอมพิษอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่า ใ, ให้ฟังอีกนครับมันถอนพิษได้ดีมากๆเลยนะเรื่องของฐาน มากๆเลยนะครับเอ่อเราไปฟังหน่อยก็ได้นะน ก, ก็ได้ร่อมนั้นลรื่องนะันหลายนคนจะได้ไม่ใช้ประโยชน์เพนะ่ น, อน้องแกกระถอ r พีแต่งี้ได้ดีเนี่ยผมเจอคนใกล้และหลายคนพูดพูดแบ๊กเปล่านิดหนึ่งนะสมัยผมเป็นเด็ก เ, น, เนี่ยผมได้ชอบข้าศัต ชอบล่าสัตว์เอามาทําอาหารนะอ๋อผมไม่ใช่คนดีนะคุณนะแม้แตมาดื้นสิที่เจ็นสิบสปีแล้วก็ตามสิบกว่ปีแล้วผมไม่ได้ใช่คนดีนะชอบฆ่าสัตว์ชอบล่าสัตว์ล่าสัตว์เก่งด้วยนะครับเสร็จแล้วสัตว์ตัวไหนที่มันจะตายเนี่ยนะมันจะตายแล้วเราก็การเก็บไว้กินหลายวันนี่ก็ไม่ใช่คนดีเราจะเก็บไว้กินหลายวันเนี่ยสมัยก่อนมันจะไม่ได้แช่ตู้เย็ยนอะไรหรอกนะครับเราก็ทําให้มันมีชีวิตอยู่ คนโบราณมอกถ้าต้องการใหสัตว์ที่ปางตายในชีวิตยอยู่ให้ เ, เป็ น, นอนทําถ่านผมก็อเอาสัตว์ที่ผมยิงหั ว, วแบะมั่งทองไสทะลักมั่งอะไรมั่งจะเป็นจะตายแต่ผมก็จะไปแช่ถ่านเอาไปไม่ใช่ไปแช่ถ่านไปวางไว้ที่ถ่านไปวางไว้ทําไว้ทับไว้ทับไว้ ไ, วไปวางไว้ในถ่านเสร็จแล้วประมาณ7จ็ดของสัตว์นมันฟื้นพื้ น, นกลับมาไปชีวิต เราก็ทำมาตั้งแต่เด็เดกๆแล้วใช้ฐานบําบัดเนี่ยมันแปลกครับผมเป็นคนมันนอกก็เลยได้เรียนรู้เรื่องเนี้ใช้ฐานบําบัดชุบชีวิตสัตว์แต่ไม่ได้ชุบเพื่อที่จะเสพตานไม่เอาไว้กินแต่เ้าก็เจอเห็นว่ามันทําให้รอดทําให้รอดน ะ, ดนะนก็ก็ได้เจอภาพอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับคอานี้พอโตขึ้นมาเนี่ก็ได้มาเรียนรู้เรื่องของการใช้ฐานถอนพิษต่างๆนี่แหล ะ, ะ, ะยิ่งช่วงหลาาังมันเลนะครับญี่ปุ่นเลยนะครับเอาฐานเนี่ย เขาานตอนนี้เนี่ยไปถอนพิษของคอมพิวเตอร์ที่มากๆเขาจะไปวางไว้ข้างๆนะครับมันดูดซับพิษได้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนั้นเอาไปถอนพิษคนให้เคมีบาบัดโดใช้แสง เขาจะเอาถ่านเนี่ยนะประมาณหนึ่งช้อนชาให้กินก่อนอาหารนะครับละลายน้ํากินก่อนอาหารก็พบว่าคนที่ไปใช้แสงไปเคมีบําบัดนั้นอาการทุเราได้เร็วมันซับเอาเอาพลังงานที่เป็นพิษนะครับได้เร็วถ่านีิแปลกเป็นตัวซับพลังงานที่เป็นพิษได้ดีมากมันมากด้วยกันนะครับคนจีนนะครับหมอจีนนีนเวลามีผื่นมีแผลแผลเรื้อรงังหรือใครเป็นตุ่มเป็นหนองไม่หาสักทีเลยนะเขาก็จะเอาถ่านแต่เขาไม่บอกนะเขาจะเดินเข้าไปหลังร้านแล้อาถ่านลลายน้ำ แล้วก็เอามาให้คค่ายทานคค่าจะหายเห็วคุณค่าจะหายเร็วนะ มอเขาไม่ค่อยบอกกันหรอกนะครับมันเป็นศูนย์ยาละยาดี้กยจะไม่ค่อยบอกหรอกแต่ผมมันฝ่านโป้งเป็นคนฝ่านไม่ค่อยดีนะมีอะไรดีๆบอกคนหมดนะอย่าให้มันถึงฝ่านมองเขียวกันแล้วกันไม่เคยปิดบังอะไรที่เป็นเรื่องดีๆคือเราไม่ได้อางเงินนะทองแล้วเราก็บอกบอกไปแล้วมันหายเร็วจริงลึกสิผมเนี่ยแลหลายคนที่เขามีปัญหาผื่นคันมีปัญหาแผลไม่หายสติเขาจะเอายาซื้อฟันนี่แหละไปละลายน้ําแล้วก็มาทาเขาบอกแทลมันจะหายเร็วผืนคันจะหายเร็วนะครับอันเนี้ย อ่ะครับยาซิฟานถ่านก็ใช้ได้คร <Okay, S 1> นะับเนี่ยมันไม่ได้เป็นประหลาด น, นะเวลาคนไขหน้หนักๆนะคนไข้ที่หนักมากๆอาการแย่มากๆผมเจอคนแค่ป่านตายหลายคนนะจุกเสียดแน่นเท้าเป็นมาเร็งเขาจะสุดท้ายเงี้ยมะเร็งตับมันจะตายจุกเสียดแน่นทําไงก็ไม่ดีขึ้นฝังเข็มก็ไม่ดีขึ้นกดจุดก็ไม่ดีขึ้นกันวตาดีท้องอะไรไม่ดีขึ้นสัญ่าณเนี่ยหรือคนไข้หลายๆคนที่เจอสภาพอย่างเงี้ยอาการหนักวิกฤตมากๆหรือผมจะให้ใช้ถ่านผมใช้สองสูตรหลักๆ ห, หนึ่งเอาถ่านผสมน้ํา เยี่ยวทานหนึ่งชนชาทานกอไฟธรรมาดาใ น, นละโขงแค่ละเอียดหนึ่งนชาผสมน้ำเยี่ย ว, าายยวถ้ามีน้ำมันเขียวหยดไปก็ถ้าไม่มีแล้วไปนะให้กินเลยคนข้าจะฟื้นเหลวมาก คนไข้ฟันตายหายใจไม่ออกแกตายจะตายหลายเคสเลยทำไ<ค>นาตายหลายฟื้นเร็วเยี่ยวของใครก็ได้เยี่ยวคนไข้ก็ได้เยี่ยวหมอก็ได้เยี่ยวยาดก็ได้ร้อยเป็นเยี่ยวไม่ใช่ได้ทั้งนั้นมันแปลกมากเลยคนไข้จะฟื้นเร็วนะครับอย่างคนไข้คนหนึ่งเราไปทํำค่ายที่เมืองกาญไม่กี่วันวันนี้เองนะเป็นค่าคนไข้โรคหัวใจเราหยุด ย, ย, ยาหยุดยาโรคหัวใจ คือไปเข้าค่ายแล้ว่างการดีขึ้นอยุ่ยาโร่มหัวใจแต่วันนึ่งไปกินอาหารสแสลงนในค่ายนั่นแหละเพราะว่าเราจะให้กินอาหารสแสลงวันที่สาที่4ี่วันที่4จะให้กินอาหารสแสลงทวิสง่ง มนเป็นอาหารสไลด์ที่รุแรงนะครับถั่วลิสงเนี่มันร้อนมากกินเข้าไปพวติะจุกแน่นหายใจไม่ออกกางดึกมาตามผมโอ้ยเวรเวรนัแหละผมเมื่อยเมือยกางดึกมาตามไปแก้แก้เราก็กดจุดลมตาอาะไรนะเขาก็ดีขึ้นประมาณนึงแล้วมันก็วนมาเป็นอีกเพราะว่าพิษของถั่ลิสงมันยังเล่นงานอยู่นะครับยังเล่นงานหนักอยู่เพราะกัวว่าสเลดพันคอหายใจไม่ออกจะตายเอาเนี่ยหายใจไม่ออกจะตายเอาเขาเลยนึกได้วันเนี้ยผมกับมอหนาไี่พูดเรื่องเอาถ่านผสมกับเยี่ยว เขาก็เลยเทานนี่แหละผสมกับน้ำปัสสาวะของเขาอ่ะแล้วก็หยดน้ามันเขียวใส่สามหยดแล้วก็กินทันทีที่กินเข้าไปนะเขาบอกมันโล่งโล่งโล่งหายใจได้เลยนะสเสรีที่ปันคอรน่ะละลายหลายแล้วก็ขับออกมาได้แล้วเขาโล่งสบายเลยนะครับว่าชุบคนชุบชีวิตคนไข้โล่งหายใจได้ครับ เี่ไม่ใช่ธรรมดานะไอ้ฐานเนี่ยมันถอนพิษดีมากเลยผมใช้ตอนพิษคนไข้หลายคนนะครับเนี่ยที่ข้าผมบ ว, วมมากๆอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังมีคนไข้ามาเร็งคนนึงนะปรากฏว่าวันหนึ่งมีการบวมแบบเฉียบพลันนะครับบวมสิบเซนแล้นะครับเอ้ยเจ็ดเซนเจ็ดถึงแปดเซ น, นะครับขอไปนะคุณผู้ชมถึงบวมเพียอนทำประมาณเจ็ดแปดเซนผมก็ให้เอาฐานนี่แนหะก็ฐ า, านผสมดินสอทองผสมน้ำโคลโรฟินนะครับผสมเยี่ยว นะผสมเยี่ยวแล้วก็ผสมน้ำมันเขียวให้ใส่น้ำมันเขียวเลยสามหยดผสมละลายๆายไปเหมือนเหมือนคาร์มาลละลายไปเหมือนคาร ม, มาลเสร็จแล้วก็ให้พ่อทาไว้ทุกสี่หรือชั่วโมงวันรุ่งขึ้นนะพ่อทาตอนเย็นถ้าถ้าคืนผใจให้พ่อทาข้ามดืนไปเลยวันลุกขึ้นคนไข้ามาบอกมันยุบไปครึ่งมันเลยอยู่ประมาณ3ามเซน มันมหัศจรรย์มากเลยนะส่วนนี้เร็วมากเลยคนไข้ที่บวมอักเสบประเรานานานนิงการในส่วนที่จะลดอาการบวมอาการอักเสบได้เร็วปวดไม่สบายลำที่ต่างๆเนี่ยส่วนนี้ได้เร็วนะครับพอกฐานส่วนนี้เร็วมากเลยฐานเป็นส่วนหนึ่งที่ประสิทธิภาพสูงมากในการถอนพิษเราเพรว่ากู้วิกฤตคนไข้ได้เยอะนะครับเขาซับพิษซับพลังงานที่ผิดปกติได้เยอะผมก็นิยมใช้ฐานแต่เดี น, นี้เขาจะมีฐานที่บบบเาผาพานองสาเะไรต่างๆ น, น, นะเขาบอกเผามานองสาแล้วก็ออกมาดับ ด้วยความเย็นนันทีอะไรว่าฐานข้าวอะไรเงี้ยนะความจริงเนี่ยลึกๆผมไม่รู้สิว่ามันคืออะไรนะเอ่อถ้าที่ผมทดลองมันได้ผลทั้งสองอั น, นคือฐานแบบที่เขาว่ามันก็ได้ฐานชาวบ้านทถวนี้ก็ได้เอ่อพี่เขาบอกแต่เขาจะโจมตีฐานชาวบ้านว่ามันเผาไม่ได้อุณหภูมิไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสานนู้นสารนี้ตกขัน้นนะแต่ผมคุณจะโจมตีได้โจมตีไปนะถ้าผมชุบชีวิตคนไข้ฟื้นได้ผมพอแล้วผมก็เอาตัวนี้แหละ <c oughs> คือเลึกๆคงเป็นเรืเร่องการค้าพูดตรงไปตรงมานะเขาจะขายฐานของเขาแบะญี่ปุ่นจะขายฐานเขาก <Okay. S 1> ็เลยทาการวิจัยตีของคนอื่นไปหมดอ่ะจะขายฐานเขาลึกๆเขาจะขายฐานเคขา mm hmm. โอ้ก็ะถานชาวบ้านเผาผมใช้มันตั้งแต่เด็กๆ mm hmm. ถ้ามันมีพิษนะไอ mm hmm. คนไข่าปานตายมันไม่ฟื้นหรอก mm hmm. จะฟื้นได้ไงถ้ามันมีพิษอน่ะ เพราะคนไข้ฟาร์มตายโดยพิษนิดนึงก็ต้องตายแล้วใช่ไหมแปลว่ามันไม่ได้มีพิษเป็นประโยชน์ก็คนสมัยก่อนก็ยังกินถ่านเลยนะครับในขนมอะไรขนมเปลือกปูเนี่ยใช่ไหม ก็ไปเผากระลาบมะพร้าวเน่ยเขากราบมะพร้าวใช่ไหมต้องมาทะขนมเด็ดฟูโ ล, ล, ลกินทานกันไปมีเห็ดใส่เลยมีอะไรเลยต้เผาทานนั่น แ, นแหละทานธรรมดานี่ยไม่ใช้ได้แต่ก็ดีนะผมคุยกับนักวิชาการ น, นี่เขาทำเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างงั้นอยากให้ปลอดภัยจริงเนี่ยนะเขาว่ากันนะเขาก็นะนําดีนะคุยกันเขาก็เขาเห็นใจเรานะเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ทานปลอดภัยจริงเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาทานเนี่แหละที่ชาวบ้านเผาได้สําเร็จนี่แหละเอามากรอไฟก่อนให้มันแดงโลเลยนะแดงเต็มที่เลยสุกเต็มที่เลย เสร็จแล้วเอาไปจุ่มน้าพันธดีเลยฟูเลยนะไปจุ่มน้ําพันธดีเลยอันนั้นแหละเป็นกระถางที่ปลอดภัยระวังกันนะมันจะมันจะถอนพิษทั้งหมดออกไปนะครับแล้วคนโบราณเขาทาแบบนี้นะครับน้ำที่แช่ถ่านแดงโลกแบบนี้นะเขาจะามากินนะแก้ท้องอืดจุกเสียนี่แก้ไข่นะคนสมัยก่อนในเวลาท้องอืดมากๆหรือว่าเป็นไข้มากๆเขาจะตำถ่นานกันนะเขาทําแบบสูนยที่ว่านี่วนหนึ่งแล้วกินน้ํามันเข้าไปหรือเขาจะเอาถานมาข่มกรงนะครับแล้วแช่น้ําไว้ แค่น้ําไว้ประมาณสักหนาทีสิบนาทีทานสักหนึ่งช้อนชาหรือหนึงช้อนแกงหนึนะครับแค่น้ำสักประมาณแก้วหนึ่งประมาณ5้าสินาทีนะครับพอแช่ประมาณนี้เขาจะกรองเอาแต่น้ำแล้วมากินมันแ ก, ก้อกันท้องอื่นยู่เส้นนั้นได้ไดีมันจะมีสูตรเรื่องเรื่องนี้หลายสูตรถ้าใครไม่กล้ากินน้ำปัสสาวะก็แช่น้ำเปล่าๆมาได้นะครับยังไม่กล้ากินน้ําัสสาวะก็แช่น้ำเปล่ๆเอาทานไม่แช่น้ำเปล่าๆอย่างน้อย5้าถึงสินาทีขึ้นไปแล้วมากินถอนพิเชลังให้สบายจะถอนพิดได้เลย น, นี้ก็อันนี้คือเรื่องของฐานนะมีประเด็นเรื่องของฐานอีกเยอะแยะนะครับที่เราเอามาประยุกต์ใช้เพราะงั้นอย่างน้อยเนี่ยนะถ้าใครไม่กล้าดื่ม น, น้ําปัสสวะนะซึ่งน้ำปัสสาวะเป็นยาเดี๋ยววันหน้าจะเล่าให้ฟังอีกทีแล้วเอียดอีกทีนะครับเออถ้าใครไม่กล้าดื่มน้ำปัสสวะเราก็เอาถ่านนะถ่านปริมาณถ้าจะเอามาแช่ถ้าเราไม่ไม่กล้ากินเป็นผงนะถ้าเราจะมาแช่เนี่ยเราเอามา ประมาณฐานก้อนเท่ากับปริมาณประมาณครึ่งหนึ่งกนึ่มือของเราแล้วโขดให้ละเอียดนะครับแล้วเอาน้ําแช่ลงไปนะครับน้ำที่แช่ลงไปได้ประมาณถึงลิตเลยนะครับประมาณครึ่งถึงหนึ่งลิตรได้เลยนะน้ำแช่แต่น้อยห้าหรือสิบนาทีหรือคุณจะแช่ทั้งวันก็ได้เอาน้ํานั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับมาผสมน้ำํำคลอรฟิลหรือมากินมาดื่มนะครับเวลามีพิษในร่างกายนะช่วยถอนพิษได้ดีเนี่ย น, นะครับนี่ืเรืาา่องของฐานนะมากินได้มาทาได้ โอเคฮะอันนี้เริ่มต้นทีนี้ส่วนประกอบมันต่อไปมันจะมีดินเสาทองดินเสาทองนั้นก็มีดินเสาทองดินเสาทองก็จะ ช่วยแก้อักเสบนะพอมเามีฤทธิ like so ์เย like ็นแก้อักเสบแล้วก็จะช่วยไม่ให้ทานแล้วก็เกลือนั้นขัดฟันแรงเกินไปเราจะมีส่วนประกอบของนีซอพองแล้วก็มีส่วนประกอบของเกลือนะครับเกลือนมันแก้อักเสบฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับเกลือปริมาณทุ่พอดีจแก่เสแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับคนโบราณก็ใช้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพิมเสนคาระบุนเบนทอนที่เราใส่ลงไปในนี้นะครับมันจะป้อตัวปอดเป็หูข้าจครับอันนี้พิมเสนกระบุนเบนทอน อัตราส่วนล่าสุดเลยที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วพบว่ามันสมรุนที่สุด น, นะครับเนี่ยเราจะใช้เกลือประมาณหนึ่งส่วนนะครับเกลือหนึ่งส่วนโดยปริมาณนะครับเช่นเกลือหนึ่งช้อนอย่างนี้นะทานสองส่วนนะครับ ดิส่องทองสิส่วนอันส่อทอง10ส่วนที่อัตราส่วนล่าสุดเขาแค่ละเอียละเอียดเลยนะโขงแยกก็ได้โขงรวมก็ได้โขงแค่ละเอียดเลยเสร็จแล้วก็เอามาคุ้เข้ากันคุ้เข้ากันเสร็จหยดพิมเสนกะระบุนเม็นทาอนใสลงไปนะครับพิเสนกะระบุนเม็ท่อนเนี่ยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อสามพิมเสนหนึ่งกะระบุน1เมท่นสานะครับเอามาขยับขยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นน้ําแล้วก็จะพ่นหรือว่าจะหยดใส่ก็ได้เท่าที่เราต้องการความเย็นความหอมต้องการเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับใส่มม่าากกกกหรรออิดเเเีีียวใคทํ็ื เขี่ยอไปแล้วก็หยดหยดใส่หยดใส่ปุกนะเราเอาเราเอาฐานที่ได้เนี่ยเรากองก่อนะร่อนร่อนผ่านกระชอนก่อนนะร้องไ่านกระชอนแล้วก็หยดพวกนี้ใส่อ่าถ้าที่เราอยากได้ความเย็นนะครับดหยวใส่แล้วเอาหอ่อใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วเขย่ยไปเขย่ยมาปิดปิดฝานไว้ไนดะ้เขย่ยไปเขย่ยมาให้เข้ากันพอมันเข้ากันดีแล้วเราก็มาร่อนผ่านตะแกรงอีกทีนึงนะครับ แต่กแกล้ที่มันละเอียดละเอียดหน่อยนะแต่กแกมที่เขาอ่าอะไรแต่แกล้ที่เข า, กกเขาทําขนมอะะ่ะ น, นัะ่นนวดแป้งเ่ยชาญนจะละเอียดหน่อยนะครับพวกนี้หละ พอได้แต่ก็บรจุพันจนาเอาไว้ใช้ได้เลยนะพี่งานปัญญาสิฟันที่มีประสิทธิภาพสูงมากใช้ได้สารพัดรูปแบบนะครับใช้แปลงฟันได้ใช้ทาแผลอะไรต่างๆได้นะบ้อทาาในจุดที่ไม่สบายได้นะครับโดยผสมน้ําธรรมดาก็ได้นะครับผสมน้าคอเลฟินก็ได้นะผสมน้าสกัดยื่อนังก็ได้ผสมน้ำอะไรไหนน้ำคอเลฟินสดนี่ก็ได้ผสมน้ํามันเขียวก็ได้ผสมน้ําำเปล่าก็ได้ผสมน้ำปัสสาวะก็ได้นะทางจุดที่ไม่สบายส่วนการแปลงฟันนั้นเราใช้นะครับ ใช้ไม่มากนะปริมาณเอามาเทใส่ฝ่ามือนะครับเทใส่ฝ่ามือเราสักประมาณ เ, าเม็ดมะขามครึ่งหนึ่งเม็ดมะขามนะครับพอครึ่งหนึ่งเม็ดมะขามพวกเนี่ยเราก็อา่าเพราะนั้นแล้วก็เอาเอาแป้งสีฟันของเรานั้นจุ่มในาน้ำต้องจุ่มน้านะถ้าไม่จุ่มน้ามันไม่ติดนะแล้วมาป้ายออกป้ายออกแล้วก็โอมน้าเข้าไปม้วนปากของแป้งฟันแบ่งๆๆฟองไม่ค่อยมีนะแต่สะอาดมาก แปลงฟันไปนะในขณะที่แปลงฟันเนี่ยนาะยอย่าพ ย, ยายามมองกระจกนะแตามองกระจกปุ๊บเนี่คุณจะท้อใจเลยนะเฮ้ยมันจะหายดำไม่เนี่ยจะหายดำไม่เนี่ยมีข้อแม้คนะึงห้ามองกระจกนะก็หลับหูหลับตาแปลงไปแล้ว <c oughs> นะไม่ต้องมองกระจกนะพอแปลงเสร็จบนปากเรียบร้อยมันมองกระจกได้เลย ด, ด, ดี่นี่เราโอ้วาวเลยนะฟันจะวาวเลยแหละนะฟันเจะสะาดนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็อยาซีฟันไทยๆนะบอกสูตรแล้วก็ไปทําเอาเองมาก ตคราาน่อนี่สอิบไหมะและส่วนคืรา่น่งี่อสออสใช่ไม่ใชมองสอครไม่มีเวลาทาก็ลองไปใช้ดูก็แล้วกันผมไปถามอาจารแพทย์แล้วนะว่ายาซึปัจจัยเาใช้ทั่วไปเป็นไงนะโอ้เคมีเต็มเงิจริงผมไปศึกษาเรื่องเคมีเทียบเลยนะครับแล้วสารเคมีนะครับเวลามันแตกกับร่างกายส่วนไหนก็ตามยิ่งแตกที่ลิ้นนะลิ้นเนี่ยมันยิงไ่ถึงว่วใจทันทีนะครับมันจะทาลายหัวใจคุณทันทีเลย ยาสีฟันทั่วไปเคมีมันเยอแต่ทุกทาลายหัวใจทำลายปอดทำลายร่างกายทันทีเพราะลิ้นนี่เป็นเป็นทุกส่วนของเอเออร์เหมือนกันนะครับเป็นจุดระบายพิษทุกเอเวัยวะและเป็นจุดส่งพลังงานเข้าไปทุกเอเวัยวะโดยพาตายลิ้นนัน่งยิงเข้าไปที่หัวใจทัททนทะีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคร้ายนี่นะถ้าในางธรรมชาติเขาจะไม่ใช้เคมีเขาจะหาอะไรที่เป็นออแกนิกเป็นธรรมชาตินะครับ จะใช้ปัญธรรมชาติมีใช้ได้ดีนะทันตะแพทย์รับรองเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> พอาตะแพทย์เป็นลูกศิษย์มาอลรมหลายท่งงานที่ท น, <c oughs> น, นี่ทันตะแพทย์หลายท่านมาอบรมนะมามาอบรมหลายท่านทีเดียวเพรับทัตะแพทย์เองไงก็ป่วยจะบอกให้ทันตะแพทย์ยังไม่เรียนวิชาถอนพี่ตัวเองหลงังจากพี่ถอนไข้จะเข้าแล้วทตะแพทย์ถึงใช้มือลมปราณหัวใจกับปอดจะหลบ รับรองนํานเข้าวัลเข้าจะหายใจไม่เต็มทิ่แล้วก็หมดแรงแล้วโลคแสกซอนเพียบอาจแแย่จะมีโรคแสรกซอนเพียบเพราะลมปานสอาคันมอดกองหัวใจเรแล้วไม่ได้เรียนวิธีแก้แใช้เยอะใช้มือมาจับแต่แไ่ไม่แก้หมอาตัดเหมือนกันรับรองแล้วสภาพหัวใจแขง มีปอดพังกใจพังแล้วก็โรคกระดูกตามมาครับหมอผ่าตัดหรือว่าทันตแพทย์หรือแม่ครัวก็แล้วแต่คนที่ใช้มือมากๆแล้วไม่รู้จักกดลมปราณแก้ไม่รู้จักปวดพิษที่แขนเนี่ยจะมีปัญหาทั้งหมดเลยนะครับมารู้จักดัดไม่รู้จักประคุณ จ, จ, จะมีปัญหาทั้งหมดเลยเนะพราะผมเจอคนไข้เยอะแล้วเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องลงมปาณเมันสำคัญนะับผมเคยแก้คนไข้ให้ออกเตรเลียไม่ดีขึ้นพอเราแก้ลมปราณที่ข้อมือวินาทีเดียวแล้วนั้นคนไข้หายใจได้มันมันจะเรื่องสาคัญ คนนี้เราสำคัญมากลงตานพวนี้ทามันล็อกเนี่ยให้ออกเส้นยังไงมันก็ไม่เข้าปอดอันให้ตายเดินปอดขีดทิ้งไม่เฉยมันไม่เข้าเพราะลงตานพวก น, นี้มันล็อกมันเป็นจุดระบายผิดของปอดของหัวใจมันจะเรื่องสําคัญเราเจอคนไข้ยเยอะที่ให้ออกเส้นใส่ที่ใส่อะไรก็ไม่ดีขึ้นแต่พอแก้ลงตานปุ๊บหายใจได้มั น, นพอลงตานที่พาจุดพากดันเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ใช่เรื่องเล่นๆผมชุบชีวิตคนไข้ที่ที่ปานตายมาเยอะแล้วโดยเรื่องของลงตานนี่แหละครับ คนไข้โรคหัวใจที่ช็อคอะไรอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาแก้ไม่นานคนไข้จะฟื้นขึ้นมาถ้าเราเรียนรู้ระบบต่างๆเรื่องสำคัญอันนี้จะมาช่แก้ปัญหา โอเคฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมุนไพรไทยนะที่เรายกตัวอย่างให้ที่เราได้เห็นว่ายุ่งยากมากมายเลยสมุนไพรไทยเนี่ยที่น่าจะเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตของคนไทยนะครับโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพต่อไปไมันจะเป็นเศรษฐกิจด้วยผมว่าถ้าแต่ละที่แต่ละแห่งผมไม่ได้หองสูวนนะเอามาทํามาฝึกฝนเรียนรูร้ไปทําเก็บสมุนไพรใกล้ตัวมาแปรรูปแล้วก็ใช้ดูแลสุขภาพรบอบๆเลยนะมันช่วยช่วยพื้นฟูเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งสุขภาพก็ไม่เสื่อมเศรษฐกิจก็ดีขึ้นมันช่วยได้อีกทางนึงดีด้วย ตอนนี้นะต่างประเทศนี่โอ้ยนะอเมริกาหรือต่างเนี่พยายามซื้อไปใช้นะทางอเมริกาเนี่ยสั่งซื้อสั่งอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับ ที่ผมจำเนี่ยนะเขาโอหอบไปใช้กันเออยอะแยะเลยนะครับเนี่ยตามเรื่องก็นิยมใช้นะครับเราทำก็ไม่ทำแล้วตอนนี้ผมไม่ไหวนะใครจะมาเรียนทําก็มาเรียนมาเรียนท ำ, าานทำแล้วก็เอาไปทําช่วยกันกปลุกปลื้มเอาไปทําใช้เองก่อนนั่นแหละแล้วก็คุยแม่ให้กับคนที่เขาต้องการแบบแบบธรรมชาติต้องการสมนุนไพรต้องการคองปลอดภัยเอาไปใช้นะ